อย่างเรื่องมีดังตอบไปนี้ว่าได้ทราบว่านับจากนี้ไปตอนท้ายแสนกลับนะครับถอยอย่างนี้ไปแสนกลับที่แล้วนะ่จริงบำเพ็ญบารมีมาก็ใช้เวลา เ, าเท่ากับพระอ น, นุนแต่ความเข้มข้นในการบำเพ็ญก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าใช้เวลานานเท่ากันนะครับ มันเหมือนกับว่าวิชานี้มันต้องจบปริญญาตรีเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งไปรับตำแหน่งชั้นสูงอีกคนหนึ่งก็เป็นเลขาเป็นอะไรเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็จบสถาบันเดียวกันมาน่แหละใช้เวลามาเท่ากันนั่นแหละแต่ขีดความสามารถไม่เท่ากันนะครับบางคนในฐานะเจ้าของบางคนในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความขีดความสามารถไปแต่ใช้เวลาการเรียนนี่เท่ากันเหมือนกัน อาได้ทราบว่านับจากนี้ไปในตอนทน้ายแสนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาะระนามว่าปทุมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงประกาศพระธรรมจากอันประเสริฐแล้วประทับอยู่ในเมืองหงสาวดีอยู่มาวันหนึ่งกุลธิดา น, นางหนึ่งในเมืองหงสาวดีได้ไปยังอารามพร้อมกับอุบาสิกาซึ่งกําลังไปเพื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาเห็นพระาศาสดา ทรงแต่งตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในเอตะทะคะคือตำแหน่งที่เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นผูสูตรเห็นแล้วก็ศรัทธาก็เลยทําบุญตั้งความป่าทะนาในฐา น, นันดร น, นั้นนะครับอันนี้เป็นศรัทธานะครับเป็นศรัทธาที่มีมีจิตใจปราทถนาตำแหน่งเหล่านั้นนบางคนบอกโอ้ตันหานะครับที่จริงบางคนก็มาแม่นี่นี่นั่ น, นตันหาทั้งนั้นไห น, ว, นว่างานเถอะอ่านนะ เชื่อไหมครับคนที่ตั้งความป่าถนาเข้าบรรลุเรียบร้อยแล้วคนที่พูดว่าตันหายังลอยชายอยู่ทุกวันด้วยอำ น, นาจตันหาเนี่ยนะครับชุ่มอยู่ด้วยตันหายอยู่ทุกวันเลยนะถ้าใครจะพูดแบบนี้นะเอ า, าอหูภาษารทบุ์บทในอดีตชาตินะตันหาทําให้ท่านตาถนาเป็นอัครสาวกนะคนที่ไม่มีตันหาป่าถนาแบบนั้นก็กิเลสเหมือนเดิมนะครับดีไม่ดีจะไปอบายต่อไปด้วยซ้ําไปเพราะนึกตำหนิดูหมิ่นคนดีก็ไม่รู้จกชมนะครับก็ <c ười> น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับ นนะเพราะฉะนั้นควรตั้งความปรารถนานะครับนี่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธินะครับตั้งความปรารถนาเอาไว้นนะครับหรือบางแห่งก็ใช้คําว่าไม่ใช้ศัพธรรมราใช้ว่าอภินิหารเลยนะครับการตั้งความปรารถนาแบบนี้เรียกอภินิหารเลยนะครับมูลปณิธานที่ตั้งไว้นั่นเองทีนี้ฝ่ายภาษาสดา ก, ก็ทรงพยากรอุบาสิกานั้นว่าในอนาโทตการนั่งจักได้เป็นอุบาสิกา ผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโคดมจกเป็นผู้เลิศในบรรดาอุบาสิกาผู้เป็นปหูสูตรด้วยกันนะครับโบก็ได้รับพยากรณ์แล้วคำพูดของพระพุทธเจ้าผู้พยากรณ์เนี่ยแน่นอนมั่นคงวางั้นนางก็ทํากุศลจนตลอดชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกนั้นก็บังเกิดในหมู่มนุษย์อีกเมื่อนางท่องเที่ยวไปอยู่ในเทวโลกแลนะมนุสโลกอย่างนี้แลล่วงไปได้หนึ่งแสนกับ นะไอ้ส่วนที่เป็นผลบุญเนี่ยผลบาปไม่พูดถึงของใครกับของใครวย่างนั้นเถอะอ๋อก็แสดงว่าในช่วงนั้นก็มีสิ่งตนนกนะคอ๋อก็ตกเรื่อยแหละครับแต่เราไม่พูดถึงระหว่างที่ไม่มีาศาสนาระหว่างที่ไม่มีคําสอนนะครับไม่ได้ทําบุญจะไปไหนละ่ะอะไรอย่างประวัติพระเถระทั้งหลายเ ง, งี้ยก็ที่เราอ่านอ่านดูพูดในส่วนที่คือ มนุษย์กับเทวดาส่วนที่เอาบายไม่พูดไงอ๋อแต่แต่ไม่ใช่ไม่ไปลงด้วยไม่ใช่ไม่มีอก็กลับนี้พระพุทธเจ้าเองในอดีตเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ในกลับนี้นะเคยเป็นนกคุมใช่ไหมครับออก็เป็นอะไรตั้งหลายอย่างแต่ไม่พูดถึงภูริทัตตานี่นะครับไม่ได้เกิดในก็เกิดในกลับนี้นะเป็นต้นะแต่ว่าไม่ได้ยกมาพูดเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเสริมสตาทค์สัก่อนขอโอกาสนะทีนี้ ถ้าหากว่าได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่แล้วถ้าหลังจากนั้นมาเกิดไปทําบาปทําอกุศลน่ะเ mm hmm. พีย ห, หนักเขาไปตกนรกขุมที่มันลึกๆเนี่ยเกิดพระพุทธองค์เนี่ยะตเด็ดอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยเกิดกลับมาจากนรกไม่ทั น, นออกจากนรกไปทางก็แสดงว่าคําพยากรของพระพุทธองค์ไปไไไม่ได้องค์ก่อนนีคบคือเป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะถ้าบุคคลที่พ อ, องค์พยากรแล้วยังไงจะต้องได้ตรั ส, สรู้ในวันนั้นแหละแต่ว่าโชคเลือดมายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้องมาทันแน่นอนนะต้องทันแน่นอนนะครับเ ล, เ, ลเล็งเห็นแล้วจึงพยากร ก็เหมือนนางคู่จุตราเนี่ยนะครับมาเป็นคอมด้วยเป็นทาสด้วยอะไรด้วยแต่ได้ตำแหน่งเนี่นะมาแบบทุรักทุเลเต็มทีอย่างนั้นแตผู้ที่พยากรณ์แล้วต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าจะสมบูรณ์เต็มร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถึงเส้นชัยนะนะ <c oughs> เป็นทหารยังไงก็รักษาทงไว้ได้นะครับแต่ก็เลือดอาบนั่นแหละ <c oughs> เป็นลักษณะเนี่ปรระัยนะครับเหมือนกับพระนางอ เค okay. ปตาจลาเป็นต้นเนี่ยก็โชคเลือดนั่นแหละแต่ว่าได้ตำแหน่งนั้นจริงๆ จ, จะรักษาตำแหน่งได้กี่วันนี่ไม่รู้นะเหมือนพระพาหิยะอาจจะรักษาตำแหน่งได้ไม่กี่นาทีอย่างเงี้ยนะตอนนี้พานแล้วแต่ก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าทรงพยากรณ์แล้วนะแต่ทีนี้ว่าให้เห็นโทษของสังสารวัตว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ขนาดอัตตะสัมมาปณิธีนะ<ม>นะครับ<ม>คือพระองค์เล็งเห็นแล้วนะครับจริงๆทรงพยากรณ์ แต่ว่าในระหว่างที่ได้รับพยากรณ์แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิตกนรกก็ตกนะครับพระโมคคัลลานะไงตกนรกมากี่ชาติละมาตกมาซะยืดยาวเลยนะครับวเวลาที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับ ท, ที่กลัวก็คือกลัวขึ้นไม่ทันถ้าพยากรณ์แล้วไม่มีที่จะไม่ทันนะครับพระองค์เล็งเห็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าสภาพแบบไหนพระองค์ไม่ได้บอกนะครับัด เป็นเหมือนกระชายชาติทหารเป๊ะแบบนี้ไม่ใช่นะอาจจะพลิกกองพิการบ้างหลังคอมบัง่งเป็นธาตุบ้างอาจจะถูกดาสู่ขับมาบ้างอะไรบ้างอยงเงี้ยเป็นโลกเลือนบัางอะไรบัง่งก็ตามสมควรกันแล้วกันเย่างนั้น <c oughs> <c oughs> นี่มันโทษของสังสารวัตรนะครับนี่ขณะดเขาตั้งความปบาดธนาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันได้ดีนะครับมันจะสภาพไหนก็ช่างเอะแต่ปัญหาสําคัญมันก็อย่างว่าไอ้ไม่ได้ดีแล้วก็พิการเท่าเดิมเนี่ยที่แย่ ครับครับ <laughs> บรรลุเป็นผ้าอรหันตตาบอร์ดกันยังนี่ <laughs> ก็เหมือนกับว่าไม่บรรลุแล้วก็จะไม่บอร์ดอย่างนั้นแหละก็บอร์ดอยู่ดีเพียงแต่ว่าบอรดแล้วพร้อมบรรลุ น, นี่ก็แจวแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใครอยากบรรลุก็เลยไปทําให้ตาบอร์ดนะครับไม่รับรองนะครับอาจจะบอร์ดฟรีก็ได้ครับ <laughs> <laughs> แต่นี้ว่าในระหว่างนี้ก็มีไปอบายแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงนะครับใ ห, ใ, ห ใ, ห ใ, หให้มีศรัทธานะ <laughs> <laughs> <laughs> ก็พูดเพื่อรักษาศรัทธา ระหว่างนี้ปิดอบายหมดเลยท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นนะครับเพราะไม่ได้เป็นพระสุราบันอะไรปิดอบายไม่ได้อยู่แล้วใ น, นี้ก็พอมาถึงพุทธพุทธันดร น, นี้นะครับไมที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะก่อนพุทธเจ้าเกิดขึ้นชนทั้งหลายก็ตั้งชื่อนางว่าอุตราชื่อจริงๆในะชื่ออุตระในเวลาที่เกิดมาแล้วนางได้กลายเป็นหญิงค่อมเพราะเหตุ น, นั้นจึงปรากฏชื่อว่าพุทธชุตระนนะครับ ตัวคอมหน่อยนะครับต่อมาในเวลาที่โคสิตาเศรษฐีถวายนางสาวมาวดีแก่พระเจ้าอุเทนนางคุชุตระานั้นก็ถูกยกให้ไปเป็นนางปริจาริกาของนางสาวมาวดีนั่นแหละอยู่ภายในราชสำนักของพระเจ้าอุเทนก็สมัยนั้นโคสิตะเศรษฐีกุ ก, กุตตะเศรษฐีและปาวาริกะเศรษฐีในกรุงเมืองโกสัมพีเนี่ยนะโด้พากันสร้างวิหารสามแห่งอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อพระธัชคุตเจ้าเสด็จจาริกไปในชนบทถึงพระนครโกสัมีได้มอบถวายวิหารแด่พระสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วพากาันบำเพ็ญมหาทานประมาณเดือนหนึ่งผ่านพ้นไปครั้งนั้นเศรษฐีเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอนุเคราะห์โลกทั้งหมดพวกเราจะให้โอกาสแก่คนอื่นบ้างจะทาบุญเลี้ยงอย่างนี้ตลอดไปก็ได้ แต่ที่นี้ว่ า, าก็พระ อ, องค์นี้ปกติก็สงเคราะหสัพพสัตว์ทั้งหลายนะผู้ใดได้ถวายได้ทาบุญถวายโพชนาหารเป็นต้นแต่พระ อ, องค์ก็จะรับผลมากอันนี้สงมากนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขเพราะฉะนั้นควรที่จะแบ่งประโยชน์เหล่านี้ไปให้คนอื่นๆบ้างแม้คนที่อยู่ในตัวเมืองโกสัมพีก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่นั้นมาพวกชาวเมืองก็พากันถวายมหาทาน โดยรวมคนในถนนเดียวกันบ้างโดยรวมกันเป็นคณะบ้างนะวิธีทําบุญบางคนก็ถ้ารวยหน่อยก็จะภาพคนเดียวเลยทําไม่ค่อยรวยก็ศรัทธานะครับสามัคคีนั่นเองนะครับสามัคคีกันให้ทานสามัคคีกันทําบุญนะนะทำเป็นหมู่บ้านเป็นถน น, นเป็นอะไรไปอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาอันที่สูสงส่งแวดล้อมแล้วประทับอยู่ในเรือนของนายมาลาการผู้เป็นหัวหน้านะครับ สมัยนั้นก็มีพวกพแผนกปลูกดอกไม้ขายนั่นนะครับทีนี้ขณะนั้นนางคุชุตระาก็ได้รับทรัพย์8กะหาปณะนะแล้วไปยังเรือนนั้นเพื่อซื้อดอกไม้ไปให้นางสา ม, มาวดีหรือว่าแผนกจัดซื้อดอกไม้เข้าวังนั่นเองนะครับนายมาลาการผู้เป็นหัวหน้าเห็นนางนั้นแล้วก็กล่าวว่าแม่อุตราวันนี้ฉันไม่มีเวลาที่จะให้ดอกไม้แก่เธอฉันกําลังอังคาศคือถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก แม้เธอก็จงเป็นสหายในการเลี้ยงดูเธอเมื่อทําอย่างนี้แล้วเธอก็จะพ้นไปจากการการรับใช้ของบุคคลอื่นเสียทีว่างั้นเถอะเห็นไหมชีวิตของเธอที่มาทุกข์มายากมาลําบากเป็นข่อมด้วยเป็นอ่าเป็นทาสเข้าด้วยมาคอยรับใช้ปรนิบัติคนอื่นเข้าเนี่ยนะเพราะเนื่องจากเธอเนี่ยนะเป็นค น, คนมีกรรมว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมาทําบุญให้ทานนะเผื่อจะได้พ้นจากตําเหล่านี้สักทีนึงครั้งนั้นนาง พุทธชุตราก็ได้ทําการรับใช้พระพุทธเจ้าทั้งหลายในโรงครัวอะดีเหมือนกันคนมีบุญอุปนิสัยเนี่ยชักชวนแค่เบียวก็ทําละนะก็เลยไปช่วยโนูน่นผาแหนกโรงครัวพวกพวกล้างพวกหัน่นผักอะไรก็ว่าไป ใ, าใจนะคืออุปนิสัยมาไงครับพอบอกปุ๊บเนี่ยบางคนก็เชื่อเลยนะครับก็ของเก่ามีนะครับเรียกว่าปุปเพกะตะปุญญาตามีพอมีกัญญาณมิตรปั๊บไป ด, ดีเลยนั่นเอง นางไดเรียนธรรมะนางเรียนธรรมะทั้งหมดที่ภา ษ, ษาสดาตรัสแล้วด้วยอำนาจอุปนิสินกถคะท่านนิสินนเนี่ยแปลว่านั่งใกล้นั่งใช่ไหมคะอุปานี่เข้าไปนั่งใกล้ก็คือเหมือนกับแท็กทายปราศัยแต่คําพูดของพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์ก็สรุปเหมือนสมอไงก็คืออนุมโมทนากถาหรือปกิ น, นกะเทศนาที่คุยกันทั่วๆไปต่อมาได้ฟังอนุมโมทนาคาถาคื อ, อตอนที่พระองค์ฉันเสร็จก็อนุมโมทนาใช่ไหม แล้วก็ได้บรรลุโสดาปฏิพันธเนี่ยนะพอบรรลุโสดาปฏิพันธ์ในวันอื่นๆนางให้กะหาปณะเหล่านั้นแล้วรับเอาดอกไม้ไปคือวันก่อนหน้านี้นะจะเขาให้มาแปกะหาปณะนะซื้อแค่4กะหาปณะไอ้ก่อนหน้านี้นะก่อนที่เป็นพระโสราบันเนี่ยริบไป เ, เรียกว่าแอบซ่อนไว้วันละสกะหาปณะ4ี่กะหาปณะซื้อแค่4กะหาปณะนะครับอนะ่นะเรียกว่าแอบแอบซ่อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะยักยอยกนะ ของหลวงก็ไม่ว่างเว้นนะครับแต่ในวันนั้นเพราะได้เห็นสัจจะนางไม่ยังจิตให้เกิดในสิ่งของบุคคลอื่ น, น, นนะอธินาธานจะไม่มีเด็ดขาดเลยสําหรับพระโสราบันหลังจากที่บรรลุแล้วนะนางก็ซื้อทั้งหมดทั้ง8กหาปณ ะ, ะนะครับซื้อทั้ง8กหาปณ ะ, ะเลยดอกไม้แล้วเอารับดอกไม้ไปยังสํานักของพระนางสา ม, มาวดี ลำดับนั้นพระนาสามาวดีได้ถามนางว่าแม่อุตราในวันอื่นๆเธอนำดอกไม้มาให้ไม่มากแต่วันนี้นำมาให้มากพระราชาของเราทั้งหลายทรงเลื่อมใสามากขึ้นหรือนะพิเศษอะไรนาะอว่างนั้นดอกไม้มันเพิ่มเยอะหลือเกินนางก็ทูลเรื่องนั้นไม่ปกปิดเรื่องที่ตนได้ทำไปแล้วเพราะไม่สามารถจะกล่าวเท็จได้มุสาวาทก็ไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลนะคะนี่เมื่อนางถูกถามว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรวันนี้จึงนําดอกไม้มามากก็ทูลแตบว่าวันนี้หม่อมชันได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ทําให้แจ้งซึ่งอมตะ เ, นนเอเะเห็นนิพพานแล้วว่างั้นเถอะเพราะเหตุนั้นหม่อมชันจึงลวงพระองค์ท่านไม่ได้ว่างั้นเถอะวันก่อนๆที่ลอกได้ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่เห็นนิพพานว่างั้นเถอะตอนนี้มาเห็นนิพพานแล้วก็ลอกไม่ได้แล้วว่างั้นมุสาไม่ได้แล้ว ทีนี้นางสาวมาวดีพอฟังคํานั้นแล้วก็ไม่ขู่ตะเคาะถ้าคนทั่วๆไปนะคนไม่มีบุญเก่าเนี่ยนะเห็นทีแล้วได้ช่องแล้วก็จะตะเคากว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> นางทาสีผู้ชั่วร้ายแกจงคืนกะหาปหัญที่แกยัก ย, กยอกเอาไปตลอดเวลาเท่านี้นะมาว่างกันไม่มีนะครับความที่นางมีบุญเนี่ยนะเพราะนางอันบุรพเหตุตักเตือนพอนางสาวมาวดีเนี่ยนะก็ได้ตราสว่าแม่ขอแม่จงให้พวกเราได้ดื่มนม้ําอมตะ ที่แม่ได้ดื่มแล้วบ้างเถอะขอฟังทำบ้างไปฟังอะไรมา ก, กลายเป็นคนดีไปเลยนะแบ่งกันบ้างสิว่ากันเมื่อนางคุชุตราทูลว่าถ้าอย่างนั้นจงทรงพระกรุณาให้หม่อมชันอาบน้ำเสียก่อนก็ทรงให้นางอาบน้ำด้วยนำหอม16หม่อและรับสั่งให้ประทานผ้าเนื้อกเกลี้ยงสองผืนนางคุชุตรานั้นก็นุ่งผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งก็ห่มเวียงบาแล้วก็ปูลาดอาสนะนั่งบนอาสนะถือพัดอันวิจิต ร้องทักมาตุคามทั้ง5้าร้อยนางซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะที่ต่ำกว่าดำรงอยู่ในเสขะปฏิสามพิธาสแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นตามนิยามที่พระศาสดาทรงสแสดงแล้วนั่นแหละนั่นแหละครับก็คือพูดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสหมดเลยเวลาจบเทศนาหญิงทั้งหลายนั้นได้ดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลนะครับ หญิงทั้งหมดไหว้านางคุชุตราพรางกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าตั้งแต่วันนี้ไปขอแม่เจ้าอย่าได้ทํางานอันต่าต้อยอีกต่อไปเลยขอแม่เจ้าจงดารงอยู่ในฐานะเป็นมารดาในฐานะเป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายเถิดดังนี้แล้วก็แต่งตั้งนางไว้ในฐานะเป็นที่เคารพบูชาเลยโอ้ยเป็นคนให้อมาตะนะคือคนที่ให้อมาตะได้อย่างนี้เนี่ยโดยธรรมดา ท, ทั่วไปแล้วเขาจะเคารพมากเหมือนพร ะ, ะภาษาริบุตรเนี่ยนะครับได้ฟังธรรมและบรรลุ อริยสัจจากพระอาสชีนี่นะครับอยู่ที่ไหนก็นอนหันหัวไปหาพระอาสชีตลอดนะครับเนือ่องจากว่าผู้ที่ให้อมาตฐานะครับถ้าไม่ได้ท่านก็แย่เลยนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนกันโหจากฐานะเป็นทาตมาเป็นแม่เลยไอเป็นแม่เป็นอาจารย์เถอะว่างั้นมีหน้าที่ไปเรียนธรรมะแล้วมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่างั้นอ่านะทีนี้ถามว่าพราะเฮรานางคุชุตระานี้จึงบังเกิดเป็นนางทาสีทําไมไปเกิดเป็นทาตละ่ะ ตอบว่าเล่ากันว่าในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกัสปะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะนางบังเกิดเป็นทิดาของเศรษฐีในเมืองพารณสีเมื่อพระเทรีผู้เป็นพระขีนาศบรูปหนึ่งไปยังตระกูลอุปถักก็เรียนว่าขอแม่เจ้าจงให้กระเช้าประดับนั้นแก่ดิฉันเถิดดังนี้แลว้วก็สั่งใ ห, ใ, หให้พระเทรีเนี่ยทการรับใ ช, ใช่ไหมครับ ก็คือคล้ายๆก็ช่วยหยิบของให้ทีกำลังนั่งแต่งตัวอย่างดีนะแม่เจ้าวานทีช่วยหยิบไปนั้นให้โยมหน่อยเถอะเนี่นะคือคือคนที่ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องกรรมมาดีนี่นะครับเรื่องใช้พระนี่นะครับคล่องมาก่ะพระคุณเจ้าช่วยหยิบไปนั้นให้ทีสิเงี้ยนะขอผู้สะพร้อเนี่ยนะบางทีก็ช่วยหยิบไปนั้นให้น้อยเงี้ยนะใช้อนันต์อนันต์นะก็ไม่รู้อะไรสูงอะไรต่ำอะไรควรอะไรไม่ควร น, นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นด้วยกรรมนั้นแหละครับ ออคือทีนี้ฝ่ายพระเทรีเนี่ยนะครับพอได้ยินนางใช้ให้หยิบของให้แบบนี้นะก็คิดว่าเออเมื่อเราไม่ให้นางก็จะเกิดความอาฆาตคือโทสะนะโกรธแล้วก็จะไปบังเกิดในนรกเนีย่ยนะคือไปประทุสรายกับพระเรือเจ้าดีนะท่านเป็นพระเรืะท่านก็รักษานะเมื่อเราให้นางจะเกิดในเรือนของคนทาสีการที่นางเกิดเป็นนางทาสีดีกว่าการไม่ในนรก ท่านก็คำนวณนะเอเป็นาธาตุดีกว่าก็เลยดีกว่าเป็นนรกนรดังนี้แล้วก็อาศัยความการุณานะครับก็เสงสารนเป็นคนเป็นขี้ข่าเขาก็ดีก็ตกนรกไหมก็เลยได้ทําตามคําของนางนะใช้ให้หยิบกระเช้าเครื่องประดับก็เอะใช้หยิบให้ก็หยิบให้แบบนั้น<ม>เพราะฉะนั้นด้วยกรรมนั้นนางก็ได้บังเกิดเป็นทาสีของคนอื่นสิ้นห้าร้อชาตินะ ไปที่ได้เป็นลูกน้องคนอื่นบ่อยๆนี่ก็แสดงว่าเคยใช้คนดีนะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงวานเขาด่าไปหมดเลยเนี่ยนะครับเหมือนไอ้วานวานคนมีศีลมีธรรมนี่ไม่ค่อยดีนะครับมีโทษ ผ, ผมชอบเห็นโยมที่เขามานุ่งเขาวมานอนวัดแล้วเขชอบใชพ้พระทำโน่นทํำนี่แล้วบางทีก็นึกสยองแทนหนึ่งเ <laughs> นี่ยคือโทษของวตตนะครับถ้าว่าท่านเป็นผู้ไม่มีศีลทุศีลนี่ก็คงไม่บาป ม, มากมายเท่าไหนะร่เนาะแต่ยังไงก็ไม่ควร <laughs> แดดถึงจะ40องศาก็อาจจะร้อนนะครับแต่ไม่ถึงกจะถูกไฟไหม้นะแต่ก็40 <c oughs> องศาก็น่ า, า จ, จะร้อนหูดับเหมือนกันนะครับมันก็พันพระองค์ยังตรัสเรื่องว่าการสํารวมกายเป็นความดีการสํารวมวาจาเป็นความดีการสํารวมใจเป็นความดีนะครับเพราะฉะนั้นขา้าวจีทุจริตนะครับไม่พูดได้นิ่งอย่างเดียวเนี่ยดีที่สุดนะครับ แต่ว่าจ mm ีสูจิรด็ก็ควรเจริญนะครับไม่งั้นก็จะเป็นสินหมูสินแพสินแกะไปหมดนะครับเพราะไม่มีใครพูดอะไรสักคำเลยนะเนี่ยเป็นสินประสุสัตว์ก็ลาบากอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีสัมมาวาจาคือไอ้ที่ห้ามนี่คือห้ามมิจฉาวาจานะครับ เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดก็ให้นึกก่อนว่าอะไรเป็นอะไรดีชั่วมีผลยังไงเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่นี้แต่ถ้าไม่ได้ศึกษามันก็ยากเหมือนกันถ้าไม่ได้ฟัง<ม>ทำแล้วเนี่ยนะครับจะมีอินทรีย์สังวรพอที่จะสํารวมกายวาจาก็ไม่ใช่ฐานะอีกเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นผู้ที่ขาดการศึกษาเนี่ยนะครับจึงจึงอันตรายที่สุดเลยนะครับอันพระองค์นี้เวลาจะตรัสถึงเรื่องไอมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะสกายะทิฏฐิเนี่ยพระองค์จะตรัสเลยว่า ปุถุชนในโลกนี้นะครับผู้ไม่ได้สระธรรมะของพระริยเจ้าไม่เห็นพระริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระริยเจ้าไม่มีวินัยของพระริยเจ้าไม่พบสัตว์บุ ร, รุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บุ ร, รุษไม่มีวินัยของสัตว์บุ ร, รุษนะครับย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็สกายยะทิฏฐิยีสบก็จะเกิดขึ้นเมื gitu, JUSTIN, ่อสกายยะทิฏฐิยี่สิเกิดขึ้นที่ฐิหกสเป็นนั่นก็จะตามมาเมื่อทิฏฐิเหล่านั้นตามมาต่อต่อไปเข้าก็ วัตถุเจริจสุเจริญไม่รู้ซากอย่างเนี่ยนะครับอวิชาก็ปกปิดไว้ฉะนั้นสิ่งที่มีโทษยิ่งกว่าทิฐิก็ไม่มีนะครับอะไรที่จะมีโทษกว่าทิฐิก็ไม่มีเมื่อทิฐิเกิดขึ้นนะครับอวิชาก็สำปรยุทธ์ก็ปกปิดสัจธรรมไปเรื่อยๆนะโลภะก็ประกอบไว้อวิชาก็กางตั้นสังสารวัตรมันก็จัดําเนินไปอย่างนี้นะครับจับภพน้อยสู่ภพน้อยซะส่วนใหญ่นะครับนานๆจะเข้าไปถึงภพใหญ่สักทีงแล้วกลับไปเป็นภพน้อยนะครับ เดรชาทั้งหลายเนี่ยเมื่อเทียบกับมนุษย์เนี่ยเขาพบน้อยนยนียุงกว่ายุไม่กี่วันนอนกว่ายุไม่กี่วันไส้เดือนก็มายุไม่กี่วันผีเสื้อก็ไม่กี่วันเขาก็พบน้อยจริงๆนะเมื่อเทียบกับมนุษย์นะครับแต่มนุษย์ถ้าเทียบกับเทวดามนุษย์ก็หน่อยเดียวเทวดาถ้าเทียบกับพรหมก็หน่อยเดียวพรหมชั้นต่ําเมื่อเทียบกับพรหมชั้นสูงก็หน่อยเดียวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พบน้อยสู่พบน้อยนะครับพบต่ําสู่พบต่ำเนี่ยนะก็เนื่องจากไม่ได้ฟังธรรมน ท่นต้นเหตุทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่เหมือนกับที่พรหมาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าหาว่าพระองค์ไม่แสดงธรรมนะครับสัตว์ที่มีทุลีน้อยในดวงตาเนี่ยนะครับผู้ที่มีสัตหินรีย์เป็นต้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมจากประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้พระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมให้เขาฟังเลยเถอดเนี่ยนะเนื่องจากไม่ได้ฟังธรรมนี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็จากเสื่อมนี่นี่เราพูดถึงคนที่พอมีบุญแล้วนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมนี่ก็ลาบาก แต่นี้ยถ้าไม่ได้ฟังทำไม่ได้เรียนรู้ก็จะไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรทั้นวาจาก็พล่อยๆนะครับการทําชั่วก็พล่อยๆอะไรมีโทษไม่มีโทษไม่ได้คํานวณไม่ได้คํานึงสักอย่างอนะก็เหมือนกับคนไม่รู้กฎหมายนะพูดไปแล้วมันจะผิดข้อไหนมาตราที่เท่าไหร่อะไรก็ไม่รู้สักอย่างคนที่ไม่รู้บุญบาปก็เหมือนกันไม่รู้ว่าบุญบาปมันจะให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลยังไงก็อันนี้คือโทษของสังสารวัตนะครับน่ากลัวเหมือนกัน